บุ๊กทูสิบเก้าในห้องครัวดารอชพาสคานเนคุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะทอยกอชพาสคานีจดีดดารี วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะเชคาจอีมีคอฮีแอมรู ز เบเพีคุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหารทูบอบาบายาบอกาคกจามีพเีดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะพิอัชฮารกัจโคน ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะซีบซาเนีฮาราพูสเบกชน้ำดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะคาฮูราเบชูยมแก้วน้ำอยู่ที่ไหนลีวานฮาโคจอฮัสตันจานชามอยู่ที่ไหน زرف ์ฟฮอว์ هستند ช้อนซ่อมและมีดอยู่ที่ไหนก ا ش ق و چ ช گ ا ل ล ک ค ر ร کجاه อยู่คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ ت ทยกดา ب, ب ์บอสคอนีปุติดคุณมีที่เปิดขวดไหมคะ ทอยกดาร์บอสคอนบอทรีดอรีคุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะทอยกจูบพันเบคชดอรีคุณกําลังทําซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะทอยทุยอินกอบเลมซุปมีพาซีคุณกําลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะฉันกาลังตั้งโต๊ะมันมีสระมีชีน้ำนี่คือมีดส้อมและช้อนคอร์ด ช ن گ ق ق ا ก و قاشق ا ی ก ج ا ه س ت ن อนสตนี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปากลิวานห้บูชกาบห้าด س ามอลสูฟร์ห้าอินจส